ทีนี้ข้อที่หกพยายามรู้สึกน่ากลัวทะยะกไปว่าน่ากลัวมีกลัวจริงจริงก็มีในบาลีว่าพายติวานพาญติวากลัวจริงๆแล้วไม่กลัวจริงๆคือบางคนกลัวร้องให้เลยก็มีอาตมาเห็นด็อกเตอร์ปุ่นเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นยกคุณแล้วโอ้ผมรู้สึกกลัวครับ ข, ขอไปพักกุฏิสักพักสักก่อนเถอะไปพักแล้วหายกลัวก็กลัมาทําต่อ มหาศิทธาปริญญาโทอันดร็อกเตอร์ปุ่นปริญญาเอกแล้วมหาสิทธามือนกันจบปริญญาโทพนั่งอยู่ข้างบนชั้นสองครัวขอมานังข้างล่างก่อนที่จริงนะในญาณที่นี่แหละเขาไม่รู้สึกหรอกว่ายาณไหนอาจารย์ก็ไม่จงบอกไห้กำหนดไปทีนี้บางคนกลัวจริงๆเนนหนึ่งอยู่ประเทศพม่าเนนมาจากประเทศอินเดียเนนแขกอายุยี่ห้าปี ร้องให้เห็นกบก็บกบร้องให้เห็นตุ่มก็ร้องให้เอออาจารย์เราเนึ้ว่านี่นี่บ้าไงพอลุ่งขึ้นถามอาจารย์เน้นไปนอะไรยานสี่พ ย, ยายนหกเนี่ยถึงพญายานนี่ญาณ น, นี้มันกลัวเออบางคนกลัวจริงๆมีลูกของนายสนิททศนาาับพาโรในายช่างรถฝอยอายุสิบสองขวบพ่อมานั่งอยู่เดือนหนึ่งแล้วเพิ่งถึงยานสาม ลูกเข้ามาที่หลังพนังพอถึงยานสี่เพราะร้องไห้โห้เลยมั น, ม, นมันกลัวไงโดยมากถ้าเด็กๆมันกลัวเพราะไม่เคยประสบมามันตกใจในยานสี่นะในยานหกนะเอาทีนี้ยานเจดยานนี้รู้สึกเสียวๆหวาดๆกลัวๆบางทีนึกกลัวเหมือนอย่างนี้เหมือนเห็นหน่ะเสาตะเทียนแหลมแม่นี่ถ้าตกลงมาหนีูกใครตายเลยกลัวแทนคนอนื่นอย่างนั้นก็มี หลือไปเห็นหลุมทานเพลิงแหม่นี่ถ้าตกไปตาเลยหรือไม่เห็นคนขึ้นสูงๆน้นโอ้หนี่เสียวจังฮหอันนี้ก็มีอยู่ในลักษณะของยานนี้ยานที่หกอันนี้ไม่นานคอยานสี่ชัดจะหกห้าหกมันจะถึงกันเลยจะมาชัดยาน 8, แปดยานเก้ายานที่เกตอาเินวะมีทุกปีโทษเออร่างกายห้อเลยปรเดิมเจ็บน้นประเดิวคันนี้ปรเดิมปวดน้นปวดนี่มันทีโรคติดสิทธวงหายแล้วมัน ขึ้นมาอีกบางีโรคคามดันโลหิตหายแล้วมันขึ้นมาอีกโรคเก่าๆคล้ายๆหายไปแล้วมันฟื้นขึ้นมาอีกก็ใช่หรือธรรมชาติของเขาปรเดี๋ยวนั่งปรเดี๋ยวคันน้นนิดปรเดี๋ยวคันนี้หน่อยประเดี๋ยวจิตใจก็นึกถึงร่างกายเฮ้ยมันน่าเบื่อหน่ายเหลือเกินเนาะปรเดี๋ยวเข้าห้องน้ําระเดี๋ยวขี้ปรเดี๋ยวเยี่ยวประเดกินปรเดี๋ยวถ่ายอ้าวเราพัดแน่จิตมันจะเห็นมันจะเกิดนิพพิทาเกิดความเบื่อมันเล่นเห็นพุกเห็นโทษของร่างกาย แต่ยานนี้ที่นี่พอถึงยานที่แปดนิพถนามันเล่งให้เกิดยานเบื่อกิตใจจะเบื่ออาหารก็เบื่อนอนก็นอนน้อยพูดก็พูดน้อยใครพูดของหมูนักก็ไม่ค่อยได้ไม่อยากฟังบางทีถ้าเป็นมีผู้หญิงคนหนึ่งหัวมาส่งข้าวผิดเวลานิดหน่อยโกรธเป็นฟืนเป็นไฟหาว่าไม่เอาใจใส่มมันเกิดได้ที่กับน้องเราสอนน้องเสร็จไปแล้ว พอพี่มาตอบใครๆน้อยเฮ้ยทําไมอะจําของนอ้องหมอเลยโกรธเป็นฟืลนเป็นไฟเนี่ยเนี่ยจิตนในนี้มันเป็นนั้นเขาเรียกกันนิพพิทาโกรธง่ายห ง, งุดหงิดอใจคอบอกคุณไม่เคยรับเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติต้องรู้กันดุไม่ได้ถึงวันนี้นเขาต้องปลอบเออต้องปลอบว่าดีมันดีแล้วเพราะฉะนั้นญานนี้นิพพิทายานเบือ่ออาหารก็ น, น้อยนอนก็ น, น้อยพูดก็ น, น้อย ครพูดของหูหน่อยก็มากระได้โกรธง่ายยา น, นนี้นะเรียกว่าวินิพิทายานเบือ่อเห็นครัวอาจารย์ก็ไม่อยากดูหน้าเห็นคนที่รักก็ไม่อยากพูดอยากจะาปราศัยนี่แหละสถาพของอยานเคยแต่งเนื้อแต่งตัวดีๆแต่ก่อนนี่โอ๊ยผม เ, เพชรนินจินานะอยากแต่งพอถึงคนนี้ไม่ค่อยสนแล้วนั่งเฉยๆอด็กจิตใจหน้าตาบอกคุณไหมครับโศกเศร้าสมเด็จพระราชินีนี่ชดัชดชัด ในหลวงรัชการที่แปดสวนโคตท่านมาปฏิบัติโคดถึงยานนี้อยากยูมานั่งดูอี๋ทำไมวันนี้สมเด็จเป็นอย่างนี้เนาะเออท้าทางหน้าตาเศร้าๆคล้ายๆแดดกล้าๆญ้ามันปลูกแดดเผาคล้ายๆอย่างนั้นเลือคล้ายๆของหายคล้ายๆคนตรีรัตตายจากไปหน้าตาไม่เบิกบานแกมใสน่ยมันแสดงออกให้คนรู้คนอื่นดูพบรู้ ทีนี้ยานที่เก้ามุนจิตุกรรมิจตาณยานนี้คันอ่าคันกวนก็วายตามร่างกายนั่งก็ไม่ค่อยดีนอนก็ไม่ค่อยดีเดินก็ไม่ดีไม่ได้สมาธิเลยพลดุดลกพุดนั่งอ่าใจก็นึกแล้วทีเนี้ยพอถึงยานนี้นึกแล้วอีคันพอเทียวเกาบางทีเหมือนตัวกูดร่ ว, วงตัวบุ้งตัวอยไรใหญ่ใหมันไต่ไปในข้างในเสื้อสลัดออกมันก็ไม่มีอ่าเมื่อถึงญานนี้จิตใจคิดแล้วอีเรานี่ หมดบุญวัสนามบารมีหรืกอกมังอ่านึกว่าเรานี่ไม่มีบุญแล้วได้เท่านี้ก็พอแล้วหนีไปอยู่บ้านอยู่ช่องดีกว่าออกมานมนานแล้วไม่เห็นได้อะไรเลยเอาคงหมดบุญวัสนานี่แหละอวิชชาปัจจะยาสังขารนี่แหละตัวปฏิจจสมุปบาทเวลาเกิดมันเกิดขึ้นอย่างนี้คุณนั้นไม่รู้หรอกนั่นแหละอวิชชาปัจจยาสังขาร คํมไม่รู้ว่าอันนั้นมันเป็นของดีมันก็สร้างจิตสร้างใจให้นึกอยากจะกลับบ้านกับช่องเอยู่แล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งน้องพ่อสอบไปเสร็จแล้วม้วนเสื่อมันหมอนมาไว้จะขอลากลับบ้านเป็นไงโยมโอ้ยดิฉันอยู่ไม่ไหวเจะคันเป็นไงน่งไปก็มาคยดีคันตามเนื้อตาตัวกระวนกระวายไอ้ดิฉันบดบุญวาสนาบรรมีแล้วจะขดัดเท่านี้พอแล้วชาติเนี้ย บอกโยมนี่แหละมันดีแล้วอืนี่เขาถึงยานเก้าแล้วเขาดียานมุ่นเสือมุวนม้อนโยมถึงแล้วโยมเลยดีใจครี่ปฏิบัติต่อไปอีกฝรั่งคนหนึ่งน้องพ่อไปทอดกระถินธนบุรีคืนเดียวพอถึงยานนี้เปิดไปนอนโรงแรมเอราวัณเลยเออพอโทรศัพท์คุยกันถึงยานเก้าเลยนี่เขายานมุ่นเสือมุวนม้อนหอบ ไอ้ที่นอนมาปฏิบัติต่อไปพอเทศแล้วยานถึงยานนี่ใจหัวนอคา้างใหญ่เลยก็บอกแม่มันตรงเป็นของผมจริงเลยกว่านั้นจะบันทึกเรียบร้นี่นี่ยานข้าวายานที่สิบปฏิสังขายานใจเข้มแข็งยานเนี่ยจริงเอาจริงสู้ตายญานนี้ใจน้อยนะเนี่ยดูอาจารย์ดูไม่ได้ต้องปลอบยานนี่ต้องปลอบยานนี้ดูดูดุดดไ ม, ไม่ต้องดุนะยานเนี่ยใจเข้มแข็งมีอาจารย์เจ็บแป๊บเหมือนเข็มแทงส่วนมากบางทีหนัก บางทีเขาหนาวเราร้อนบางทีเขาร้อนเราหนาวบางทีเหมือนเอาตะปูตีบางทีเหมือนเอาเลื่อยตัดอเหมือนเอาเลื่อยตัดท้องเขามีแต่โดนมากมันมันเจ็บแป๊บเหมือนเข็มแทงเหมือนมันเจ็บแป๊บตามร่างกายของเรามีบางทีมีน้อยบางทีมีมากส่วนมากจะเป็นอย่างนี้แต่ถึงลักษณะของยา น, นี้หนักตัวหนักเหมืนอนอะไรทับเขามีบางคนก็รู้สึกว่าตัวร้อน เมื่อแตกทั้งที่อยู่ห้องแอร์แล้วบางคนหนาวทั้งที่มานอนอบางคนก็เหมือนเอาตะปูตีเหมือนเอาเลื่อยตัดแล้วแต่จะเกิดยาเนี่ยแต่ก็ไม่นานทยานีสีชัดลรพวกนี้สบายไม่ช้าขอให้ตั้งใจทําญาที่สิบเอ็ดสังขารโรปีขยานเฉยนั่งเพลินเวทนาไม่กวนแต่ก่อนนั่งสิบห้านาทีก็ปวดแข้งปวดขาบ้าง บางทีก็เป็นเด็บบ้งแต่พอถึงยานนี้นั่งนานทนายก็นั่งได้อืียนธนาไม่ควรนี่ยานนี้สบายจวนแล้วถ้าถึงยานนี้จวนแล้วต้องเรามัดระวังให้มากพอถึงญานที่สิบสองอนุโลมมายานอนุโลมตามยานต่ําหมายเขามาเริ่มแต่แต่ญานสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดไปไม่ได้กลับไปกลับมาเขาเรียกอนุโลมนั่งสังเกตให้ดีเถอะ บางทีนั่งสบาย ด, ดีบางทีไม่ดีเลยวันเดียวกันนั่นแหละนี่เพราะยานมันขึ้นมันลงมันขึ้นมันไปไม่ได้มันจะรวมกำลังเข้ามาถึงยานนี้ที่นี่เมื่กำลังเขาพอเขามีองค์วุญญาณหกข้ อ, เ, อเนี่ยนันทินจะพระยันจปอิปหายสะสังขาลิสูทายิโนไม่ดีใจไม่เสียใจเริ่นเหมือนถนนดีๆเครื่องบินไปบนฟ้าก็ดีเรียบไม่มีลมไม่มีอะไร เหมือนกับไม่ไปเลยนี้แหละเรียกว่ามันเรียบถ น, นนดีดซูปเปอร์ไฮเวยเอาน้ำมาคขาๆ้ๆน้ำมันไม่ไม่หกเลยเพอสะส้นถนนมันดีนี่เหมือนกันพอถึงยานนี้จวนแล้วเยีายนีนอนยน้อนุโลมยานอนุโลมตามยานต่ำตั้งแต่สี่ถึงสิบอดอนุโลมตามโพธิปกีรธรรมสามสิบเกิดการเขารวมกำลัง สติปทาน4ี่สัมปทาน4อิธิบาล4อิน 4, 5, รียห้พัะหา้าโคตรทงเกมักแปเขาจะเริ่มรวมก่อนหลังแต่ยังไม่พร้อมทั้งหมดแต่เริ่มรวมแล้วได้ 99% าแล้วทีนี้เมื่อถึงยานนี้จริงๆมี3ลักษณะเริ่มเห็นในรียสัตว์4ชัดยานนี้เขาเรียกสัจจานุโรมิกานแต่ยังไม่ถึง 100% ย0ปตถึงกรงนี้ 99% นถึงนี้มันจริงจะ100 ทีนี่มาถึงยานนี้มีสามลักษณะญานนี้เป็นยานตัดสินครั้งสุดท้ายที่จะเข้าสู่พระนิพพานเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นยานสุดท้ายรู้ความรู้สึกครั้งสุดท้ายมีสามลักษณะหนึ่งกําหนดพองเนาอยุ่เนอพองยุบมันจะไหวทีเข้าทีเข้าแล้วขาดวัดจับได้หนึ่งถึงสี่ถึงนี่จับไม่ได้แต่พอถึงนี่มันจับได้ว่ารขาดลงไปตอนไหนตอนพองหรือตอนยุบ และก่อนจะขาดมีสามลักษณะหนึ่งหนึ่งไวพองยุคทีเข้าบางที่ใส่นอไม่ทันไงกําหนดรู้หนอรู้หนอใส่พองหนออยูน่นอไม่ทันเอารู้ใส่เนี่ยมันขาดแวบบจับได้ว่าขาดลงไปตอนพองหรือตอนยุบเมื่อขาดลงไปแล้วถึงนิพพานนิพพานของท่านพูทนี้นี่มันจะถึงมัรคยานอันนี้มันขาดรู้อันนี้ไม่รู้นะโคต ร, รนริพพานไม่รู้มัรคยามรู้ผลญาณไม่รู้นะ จะมารู้ปจัจเวกรยาณตั้งเีนีไม่รู้เนี่ยแต่ตรงนี้รู้สุดท้ายว่าขาลงไปตอนไหนตอนพองนัดตอนยุบอ่านี่เป็นยานที่สิบสองมีสามลักษณะหนึ่งพองยุบเร็วเข้านี่คืออนิจจังเมื่อถึงนิพพานพับนิพพานของผู้นั้นชื่อว่าอะนิมิตะนิพพานอ่าหรืออนิมิตวิโมกวิโมกสามก็เรียกวิโมกก็คือนิพพานอนิจจังทุกขันตาเป็นเครื่องบอก นิพานค้นขโมนี้ชื่ออะไรถ้าผูใดเห็นอเิจังนิพานชื่อว่าอะนิมิตตนิพานเอ๊ถ้าผูใดเห็นพุกขังที่เนี่ยกาหนดพองยุบมันจะแน่นอึดอัดเหมือนจะขาดขาดแวบจับได้นิพานชื่อว่าอัปปนิหิตนิพพานถ้าผู้ใดเห็นอนัตตาพองยุบเบาลงขาดแวบถึงนิพานนิพานชื่อว่าสุญญตนิพานนิพานสามชื่อเพราะอันนี้เป็นเครื่องวัดผู้ปฏิบัติสังเกตง่ายว่าขาดลงไปตอนไหน แต่ไม่ใช่นั่นนะมันงวยใ่มันมีลักษณะคล้ายกันนะเออหนึ่งเวลาเกิดปีติจะพงโกไปข้างหน้านี่ยานสาสองปัดสติกิตเจตสิกสงบไปข้างหน้านี่ก็ยานสาสปัดสติปีติปัดสธิสมาธิดีขึ้นดิ่งลงพบไปข้างหน้านี่ก็ยานสา ม, สาม และสีโอเวคขาใจลอยเวลาจิตเข้าผวางสงบคบลงไปในยานสามห้า ง, 3, ง่วงนอนกำลังนั่งไปตัวมันค่อยคลมลงโคลงคอสงบคตาใสแก้วคำนวณอันนี้ง่วงนอนนะออันนี้ไม่เอานะอย่าไปอย่าเป็นอย่าเป็นนึกว่าตัดศินว่ามันจริงนะเพราะอันนี้มันห้าอย่างนี่พร้อมที่ดีมีอย่างเดียวคือข้อที่หเรียกว่าสันตติขาดมันไปข้างหลังก็ไปข้างๆ้างโดยมากอ่ะถ้าไปข้าง ข้างหลังเร้อยเปดีแต่ถ้าลงข้างหน้าแล้วต้องระวังให้มากเพราะมันหลอกก็มีเออแต่ถ้าเราจับได้แน่มันก็ไปได้นะเอาอันนี้ยานที่สิบสองจบแล้วสิบสามโคตระภูญานโคตรโคตรของปุถุชนปุถุโคตรภูแปลวาคอบงายานปัญญาพรอบงำโคตรของปุถุชนเราอยู่ในโลกหีืเป็นปุถุชนแปลวผู้หนาผูหนาไ ป, ป, ปรตกิเลสชื่อว่าปุถุชน โคตระภูญานยานครอบโคตรของปุถุชนทีื่อจะขึ้นสู่โคตรพระอริยเจ้ารูปนามดับขันห้าดับหมดในขณะนี้ดับแล้วถ้าไม่ดับเป็นนิพพาไไนไม่ได้นี่น่วงนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยหนึ่งขณะกิตเนี่ยน่วงนิพพานเป็นอารมณ์หนึ่งขณะกิจเขาเรียกโคตรระภูญาณตรงนี้รู้สึกว่ามันดับไปตอนไหนตรงนี้เนี้ยหนึ่งขณะกิจนั้นคือโคตรระภูญาน น, น่วงลิพทานเป็นอารมณ์แต่ยังไม่ถึงนิปทานแท้เหมือนกับโยมชงกาแฟมาให้หลวงพ่อฉันโยมเอาช้อนชิมดูช้อนหนึ่งรสมันเป็นยังไงบ้างแต่ยังไม่ได้เอาดื่มคือกรองไปทั้งหมดเอออันนี้เรียกว่าเหมือนอย่างนี้นี่โคตรอรุปรยานชิมอาหารโยมทํำกับข้าวชิมดูสิมันแซ่บหรือมันอร่อยไหยนั่นแหละนั่นแหละอันนี้เท่ากับโคตรอรุปรยานนะ ทีนี้หนึ่งขันธจิตนี้เดียวมรรคขยานมรไปลว่าฆ่าฆแปลว่าไปมารีติติโมโคคจะติติโคโมจะโสโคจะติมรโคไปลว่าฆ่ามร ต, าาตัวนี้ไปว่าฆ่าฆาจิเลตตายฆตัวนี้ไปฆ่าหล่านีไม่อยู่แล้วออนี่มรรคขยานปัญญาฆาจิเลต จ, จิเลตดับตรงนี้ตายตรงนี้มรรคขยานเนี่ยมีนิพพานหนึ่งคณนจิต ไม่ใช่นานนะแค่เดียวเท่านนะั้นเพราะฉะนั้นนิพพานไม่ใช่บ้านไม่ใช่เมืองโลกนี้โลกหน้าเขาเถียงกันที่พุทธมคมแต่ก่อนเถียงกันบางคนนิพพานต้องมีตามีหูไม่มีใครจะรู้อย่างนูน้นอย่างนี้นั่นคือไม่เข้าใจแต่ถ้าจะตรังพิกขวัพลิกผกผัยนิพพานนั้นเป็นอายนะใช่คนเข้าใจว่าอายนะคือตาธรรมายตนะอายตนะคือธรรมารมอม์นี่ โหตระูุมัคคยานิมีนิพพานเป็นอารมณ์จิเลสขาตรงนี้เมื่อถึงยานที่สิบสี่ครั้งทีหนึ่งนี่นี่หนึ่งเล็กหนึ่งจิเลศของเรามีสิบสองตัวคนละเฟื้องโลภะแปดโทสองสองนี่แหละที่มันดื้อที่สุดพระโพลเราเวียนไาวใจเกิดในวัตสงสารสิบสองตัวนี้เป็นอนุสัยนอนดองอยู่ในใจเหมือนกิตกรค้นตรมเมื่อถึงนิพพานครั้งทีหนึ่ง โลภะแดตายไปสที่สนะี่น่นคือไรเนืองโสมนัสสตังทิฏฐิสั ม, มตังสังฆาริกังเวลธทำบาปดีใจเห็นว่าไม่เป็นบาปทำบาปเองนี่ดวงนี้เด้อสองเวลาทำบาปดีใจเห็นว่าไม่เป็นบาปเพื่อนชนหนึ่งทํามเวลาทำบาปมีใจเฉยเเห็นว่าไม่เป็นบาปทำบาปเองสเวลาทำบาปมีใจเฉยเฉเห็นว่าไม่เป็นบาปเพื่อนชนหนึ่งทำ สี่ดงนี่แล้ ว, ว่ามิถาทิฏฐิมีในสมองทุกคนอย่านึกว่าบวชแล้วมันออกตัวมิถาทิฏฐิมันไม่ออกออกต้องออกด้วยวิปัสนาต้องถึงยานนี้ทาไมถึงยานนี้ไม่มีทางราะคนส่วนมากอย่านึกว่ามีไม่มีมิถาทิฏฐิแล้วเข้าใจผิดโดยละเอียดเขามีอยู่ทำไมาถงตรงนี้ไม่ไมีทางออกนี่คือเรียกทิฏฐิกตสัมปยุตตกิจในอภิธรรมมีอยู่สี่ดวง ดวงนี้แหละดื้อที่สุดนี่นี่แหละห้าศีตัวนี้ตายเป็นพระโสดาบันปิดประตู ว, วายเด็ดขาดไม่มีทางที่จะกลับไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเ ป, ปรตปนุ ก, กายสาัตว์ฉันไปไม่ได้เป็นเด็ดขาดศีลห้ามั่นเป็นนิสตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นไปนี่แหละคือต้นศีนะเดี๋ยวนี้เราให้กันมาให้แต่ปากปากแต่ปลายปลายศีลเท่านั้นลองนึกดูสิให้มืกี้ปีกี่ร้อยกี่พันปีแล้วพระให้ศีนมันก็อยู่แค่นั้นแหละ น้องพ่อนี่บางทีสิบสี่กันก็มีให้ศีลวันหนึ่งวันหนึ่งแต่เปล่าผก็อยู่เท่าเดิมเลยเคยกินเหล้ากินเท่าเดิมมาแหละไปสอนในคุกเดือนสามเพนในคุกอ่ะของเปลมเนี่ยมีนักโทษสี่พันพอเดือนหกเพนไปสอนมีห้าพันพอเดือนแปดอาสาระหาไปสอนหกพันกว่าโอ้ยเหล่านี้มันเทศดีเป็นไปเทศเทอะไรเข้าคุกเรื่อยเหรอท่นทีเนี่ย มันไม่ได้หรอกโยมศีลเนี่ยเราเราให้ไม่ถูกต้องปฏิบัติอย่างนี้อย่างอาจารย์นุ่แม่ศิริสอนนี่ถ้ายัางนี่โอ้ลับรองนักโทษในคุกที่เอามาทีให้ปฏิบัติแค่ น, นี้ขอคนละเดือนเท่านั้นแหละไม่ต้องเอามากหรอกปล่อยออกไปจะไม่กลับม า, มาสู่คุกสุตริงอีกพอหลวงพ่อไปทดลองแล้วอยู่กับข้าหลวงจังหวัดขอนแก่นในพ ม, มสุขสุคนนายพรพสุขุคนข้าหลวงบอกท่านผมไม่ต้องการมากหรอกได้สองเปอร์เซ็นผมก็พอใจแล้ว อ, อ้าอาตมาสอนสมเดือนโยมเอ๋ยสอนให้รู้จักบาปปุลคุณโทษหมดนั่นแหละเอามาเล่าให้ฟังหมดนระกกี่ขมจี๋ขมมันก็เรียบร้อยดีเอาข้าหลวงเลี้ยงเลี้ยงเพนให้พระสวดมนต์ให้เขาฟังนะก่อนจะปล่อยท่านข้าหลวงก็เชื่อทำตามมดเวลาจะปล่อยญาติโยมเอ๋ยให้เขาทานอาหารเสร็จถ้ามายืนสาบานต่อนหน้าพระข้าพระเจ้าขอปริยานสาบันตน ตอนหน้าท่านข้หลวงต่อหน้าแถวขารรชจังหวัดพระข้าพเจ้าจะไม่ข้อกลับมาสู่คุกครูตารางอีกอาตมากับเพียวขรจังหวัดอาตมาเป็นข้อสองจังหวัดข้อหนึ่งกลับพรมน้ําพุทธม น, น, นต์ให้สวยจนโตกลับไปดูขมี ม, มีแอมแกมใสสบายที่ไหนหน่าโยมเลยพอวันพรุ่งนี้ไปนักรถจักรยานติดคุกอีกแล้วให้เรากันนึกว่าเทศดีล่ะทําไมมันเป็นอย่างนี้ หาทางใหม่เนี่ยตอนนั้นไม่ได้ทํากรรมฐานเลยพอจบประโยคเรียนประโยคเก้าสอบปั๊บเข้ากรรมาฐานเลยทางนี้แน่ธรรมายุทธทะเลนมาเยอะแล้วเรามานิกายยังไม่ได้เล่นอ้าวอาตอมาก็ปฏิบัติปฏิบัติเสร็จไปสอนในคุก บ, บางขวงลองดูซีที่มันดื้อที่สุดเสือจุ้ยเสือไวบเสือปมแม่เสือจุ้ยเรื่องยไหมติดคุกตลอดชีวิตเจ็ดสิบหกปีสามร้อยวัน รวมลองคิดิเอาอะไรไปติดเอากระดูกเหรอถามเจ้าหน้าที่เขาเอาอะไรไปติดยมก็เจ็ดสิบหกตลอดชีวิตตายใช่ไหมใช่แล้วแถมอีกเจ็ดสิหกปีแถมอีกสามร้อยวันเอาอะไรไปติดมันโทไปปล้นทีนี้ไปฆ่าทีนี้แล้วลมันเกินกำหนดแต่ยังสู้ไอ้โม่งไม่เลยนะไอ้โม่งเจ็ดร้อยปีติดคุกอ่ะเพ้ออาดูสิอ่าทนี้พอบางเข้ากรรมาฐานอยู่ม้ยเรียบ เสือจุ้ยไม่ต้องใส่โซ่แล้วโอ้ยเป็นนักโทษขั้นดีเลยสิบสองปีออกแล้วตลอดชีวิตเจ็ดสิบหกปีสามร้อยวันติดสิบสองปีแต่นะั่นมันเรียบร้อยมันดีออกแล้วทีนี้อีกคนหนึ่งเสือโหมอยู่ปรายจีนบุรีโอเม้เอาเรื่องเท่นานขนาดนี้ตีธรรมดตีกระดาษเนี่ยลงลงลงนรกสอนไม่มีอ่า อ, อนุสาอาจารย์วุ่นวุไปสอนมันชี้หนา้าบอกไอ้หมูไม่แล้วไอ้หมูไม่แล้วขนาดนั้นนายมนะ โอัโอตมาเพิ่งเห็นนี่แหละคนมาเหลือกเกินเอ๊เราจะเอาไหวไหมเนี่ยลองดูซิเราเชื่อพวกของเราสอนได้โยมอัตมาจะเอาโซ่ออกให้มันสองเส้นผูกขาสองข้างผูกเอวด้วยเอาไหมาโยมขอให้ทำมอญฐานหนึ่งเงดือนโยมเอาครับโยมไม่ต้องไปทํางานหรอกเอาก็าให้เจ้าหน้าที่แก้โซ่ให้เขาถอดโซ่ออกให้ให้สบายเฉียงถือศิลปแปด โอ้ยปฏิบัติกรมาฐานดีเวลาจะเลิกทรงเทศอย่างนี้เทรนบยานอา้าใครมีประสบะการณ์อะไรยืนขึ้นโพดเสือจ่้ยเขียนมาเลยบอกเมื่อก่อนข้าพรเจ้าคิดผิดเรื่งว่าบุญบาปสวรรค์นรกไม่มีข้าพระเจ้าฆ่าคนตายแต่อายุสิาขวบเ บ, บ็ดเสร็จหมด31มบเศพเรื่องสวรรค์นรกไม่เคยเชื่อเลยที่ข้าพระเจ้าชั่วพอได้วิทยามาจากพระปืนยิงไม่ออกมีดฟันไม่เข้า บัดนี้ข้าวเจ้าเชื่อร้อยเปอร์ซนต์แล้วออกไปนี่ขอคืนวิชานี้ขอบวชจนตายเลยแต่ก็ได้ออกบวชจนตายเลยเหมือนกันนี่เสือจุย้ยเออไอเสือเสือโหมเสือจันนี่อีกคนหนึ่งเป็นสังกัดชื่อสงัดสักดลายเติมตัวอยู่ทางสุพรรณบุรีคนนี้ติดคุกมาแล้วเหลือสี่เดือนจะออกเ อ, อ้ไหนไหนจะจะออกเขาวางแผนว่าออกพร้อเขานี่ไปฆ่าอีกฆ่าศพเข้าคุกตารางเรื่องเล็กมีเข้ากินนะระหว่างนี้นะเขาไม่กลัวนะ อืถึงอยู่ข้างนอกก็ทํางานอิน่ในกินข้าวอยู่ในคุกก็ต้องทํางานเพราะฉะนั้นไม่กลัวออกไปนี้จะฆ่าล้างแค้นห้าศพไหนจะออกไปแล้ทํามือฐานหน่อนหลวงพ่อต้องจับสลากมันนักโทษต ร, ตรง 4,280 กิจค น, นจับสลากเดือนหนึ่งไม่ถูกเดือนที่สองถูกหรือสองเดือนพอเดือนที่สองทางา่านสิ้นเดือนหลวงพ่อกลประชุมอย่างนี้อา้าวใครมีอะไรคืินคนพูด เสือสังกัดอบอกว่าเมื่อก่อนข้าเปเจ้าคิดว่าออกไปนี้จะไปฆ่าล้างแคนอีกฆ่าสมบัดนี่ไม่เอาแล้วยกให้เป็นโอโหสิกรรมอืมจะไม่ข อ, ขอก่อกรรมทำเวนกับใครอีกแล้วรองพ่อไปนั้นมันตามไปเรื่อยไปวัดรคันแกน่นไปภาคใต้ไปนี้มันตามไปต้องบวชให้อบวชให้แล้วโอ้เรียนอวิธรรมเก่งเข้าใจดีเดี๋ยวนี้คนแย่งกันเป็นสมภารเป็นพระครูแล้วเดี๋ยเนี้ยอยู่ทางน้องโพสุพรรณบุรีเนี่ย nga นี่นมัดกลับเนื้อ ก, กับตัวได้อย่างนี้อาศัยพระธรรมของพระเจา้าในปฏิวัติจิตใจเขาเด็กเรียนหนังสือไม่ดีลูกคนอากาศโทวัจจรินทร์สุรคบนะเรียนหนังสือไม่ดีพ่อแม่ก็จะไม่ให้ไปเมืองนอกแต่คันมานั่งกรรมาฐานเขา้าเออตรงกันข้ามเรียนหนังสือเก่งฝรั่งเขาชมเปรนน้อคะแนนเกรดเอเกรดเพหอกลับมาพ่อฝากบริษัทเอทโซทํางานให้ฝรั่งเขาเก่ง พรังบอกไม่เธออายุเพิ่งยี่สิบปีนะแต่ตาั้งแรกฉันยให้เธอสี่พันเกตสิบาทาเธอเธอยี่สิห้าฉันย่ห้าพันเดี๋ยวนี้เงินเดือนทั้งหกเจ็ดหมื่นแล้วพอเป็นพนหมื่นกว่าบาทเห็นไหมฮึ่มเลยผู้หญิงคนใดจะเป็นแฟนลูกชายต้องเข้ามาฐานก่อนมีผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาไปวัดได้มาปฏิบัติมางรฐานจับมั่นให้เป็นสะพายอยู่บ้านนั่นเลยยกบ้านอย่าให้เลยนี่อานิสงส์ของธรรมของพระเจ้า สามารถปริวัติใจิตใจคนให้เป็นอย่างนี้เอาจบลงไปแล้วนอกเรื่องแต่มันก็อยู่ในเรื่องต่อมามักคยานกิเล ถ, ถึงมักคยานขั้งที่หนึ่งหาดเยเลถ ส, ถสองตัวตายไปห้าโลพา4ีแล้วก็โมหะหนึ่งโมหะมีสองอุตรจาวิกิชาวิกิชาตัวนี้เลยสงสัยอ่ะบาปมีไหม้ยบุญไหมคือวิจิจฐามีด็อกเตอร์คนหนึ่งจากอเมริกาหงพ่อครับ ผมก็ดีฝรั่งก็ดีสงสัยเรื่องนรวันบอกใช่ไม่สงสัยอะไรวิจิตฐานอยู่ในสมองคนคุณอยากถอดไหมอยากถอดได้รู้ไหมไม่รู้ถอดได้ปัญญาปัญญากีขั้นรู้ไหมไม่รู้อธิบายให้ฟังนี้ขั้นนี้ขันนี้มีกี่ขั้นรู้ไหมสิบ16ขั้นขั้นที่ไล่สอดได้ขั้นที่สิบี่ ข, 14, ของที่หนึ่งมีไหของคนณอ่ะไม่มีครับเข้าปฏิบัติเลยคนเนี่ยเอากินเอาจังรกเรอมรนรักาษาสัตว์อ่าเป็นศาสตราจารย์แล้วเนี่ย ดีปฏิวัติเก่งส่วนคนหนึ่งดรโชติตายไปแล้วท่านครับผมข้อจอยพระนิจเจ้าไม่เทศเรื่องนรกสวรรค์เทพที่โยมแล้วก็อธิบายทางเิตสายฟังอผมสงสัยใช่อาตมาถามโยมก่อนโยมเกิดวันอะไรเกิดวันจันทร์ครับแน่เหรอแน่อาตมาว่าเกิดวันอาทิตย์เกิดวันจันทร์ครับท่านเถียงผมทําไมล่ะอ้าวกลโยมว่าเกิดวันจันทร์อาตมาว่าเกิดวันอาทิตย์เนี่ยโยมแน่หรือแน่ เวลาตกจากท้องแม่ล้องอีเวะ อ, อยู่บนเบาะจำได้ไหมจำไม่ได้ครับเนี่ใครบอกโยมว่าเกิดวันจันพ่อกับแม่อ้าวนี่โยมเชื่อพ่อกับแม่ใช่ไ้ยเนี่ยใช่ครับเอออาตมาเหมือนกันพ่อเขาอาตมาคือพระเจ้าเทศไวในพระไตรปิฎกเล่มที่เจ็ธรรมบุภาคหนึ่งหน้ายี่ิบ อืมนะิธโมะธโ ม, ม, มจ่าอุโพสวิปากินโนอัธโ ม, มยังเลติธโ ม, มปะเปติสุกติงบุญลนบาปมีผลไม่เหมือนกันบาปมันไปตกนรกบุญขึ้นสวรรค์อาตามาเชื่อพ อ, องอาตมาเหมือนอย่างนี้ถักหายสงสัยนิดหนึ่งจะยังสงสัยอยู่ขนตามีไหมโ ย, ยมมีครับดูสิเห็นไหมนู่นท่านมก็ไม่เห็นขาดอะไรอ่ะขาดก็จบโ อ, อ้ยนรกก็ขาดปัญญา แล้วกินตรงไหนเป็ดตัวรกกินมีกี่ดวงโยมรู้ไหมไม่รู้แปดิบเก้าดวงร้อยิบเอ็ดโดยพิสดารดวงไหนไปตัวรกรู้ไหมไม่รู้ครับโทสะโทเสนาหิกิวินาตาสัตว์ทั้งหลายตัวรกโทโทสะโยมมีไหมโทสมัยมีครับเออเหมือนโยมมีเมล็ดมะม่วงอกร่องกะร่อนโยมอยากไปเมืองอกร่องแต่มือยัไม่คว้าพบได้มะม่วงกระร่อนมันจะเป็นอกร่องไม่ปลูกเหรไม่เป็นครับเพราะอะไร พันมาการก็รเมื่อพันโทสะมีทำไ ม, มจะไปนรกไม่นายโยมเอา้าฉันสงสัยแล้วตัวอย่างพระเทวทัตโยมญ า, าติโยมเลยพระพุทธเจ้าบวชให้ใช่ไหมพระพุทธเจ้าสอนกรรมฐ า, านให้เล่นสมถะได้ชานเหาะได้ผลที่สุดคิดฆ่าพระเจ้าคริง้งคนหีนให้กระทบบาบทพระพุทธเจ้าบอกเทวทัตเธอจะถูกเป็นสุขตรงนั้นตรงนั้นเทวทัตอิมโพสิบันเป็นไปไม่ได้ไม่เชื่อพระเจ้าเลยเปิดถีนเราเห็นไหมล่ะ ออวันหนึ่งมาพอดีเลยผ่าถึงตรงนั้นพ่าวว่าพระริเจ้าฆ่าพระเท้าทัตมาแล้วมาก็โดยเห็นฉันจวนแล้วจวนก็โดยเห็นฉันพอถึงตรงที่ว่าแผ่นดินแยกสูบลงไปคางเกยพื้นดินโยมสารภาพผิดหมดโอ้ยพระพุทธเจ้าไม่ผิดเราผิดพระริเจ้าวรนรกมี ม, มีจริงๆริงมราคพเจ้าถูกเป็นสูบทรงนี้สูบจริงๆหมดทั้งเนินตั ว, ต ว, ต ว, ตวเหลือแต่กระดูกทางขอถวาย พอถวายปับมันก็จมลงไปจนลงดินปิดหัวก็ต า, ต, าตายตายปฏิสนธิเอาอี ก, กนรกโน่นผมที่แปดโน่นพระพุทธเจ้าวัดต่อไปคนจากนรกจะได้เกิดเป็นคนจะเป็นพระปฏเกศนามอัติสาระมีกระดูกเป็นแขนขนาดพระพุทธเจ้าบวชห้ยังไม่เชื่อว่านรกมีเห็นไหมแลวภาษาไหนคนทุกวันนี้มันไกลแสนไกลนกเตอร์ชดบอกว่าโยมที่สู่ด้วยปัญญาขั้นนี้ นี่ขั้นที่สิบสี่น่ยโยมขั้นหนึ่งมีไหมโยมไม่มีครับสองมีไหมลายไปจนสิบหกไม่มีเลยเอาอะไรพิสูจน์โยมนี่ผมก็คมรู้น้อยสิบักใช่แค่หางอึ่งนี่แหละอ้านพิสูจน์อะไรได้เลยเข้าหมดทั้งครอบครัวเลยคนเนี่นี่อ้าวจบลงไปแล้วทีนี้นี่แหละพูดเยาวีสูต์จริงๆว่าสวรรค์มีนรกมีถึงยานที่สิบสี่ขั้งที่สอง กิเลสเหลือเกิดโลภสีโทสะสองโมหะหนึ่งไม่ขาดเรียกว่าตานุกรระทําให้เมาลงไปนิดหน่อยแต่ศีลห้ามันเป็นนิดแล้วพอถึงญานสิบสี่ขั้งที่สามนี่ตอนนี้ไม่โคตรระพูนะญานที่ถึงขั้งที่หนึ่งเรียกว่าโคตรระพูพอขั้งที่สองเป็นภาสิกาเขาเรียกวูทานะโคตรโคตรท่พทองแพ้วขั้งที่สามก็วูทานะโคตรตีวูทานะโคตร ครั้งแรกแล้วโคตรระพูยานโคตรของปุถุชนอันันมันโคตรพระอริยเจ้าใช้โอทานโคตรพอถึงญานที่สิบสี่ครั้งที่สี่หมดแนวจิริตโลพระสีก็ตายอืมธอธุททะก็ตายโมหะมันตายมาแล้วตัง้งพระอนาคามีนี้จบลงไปแล้วนะจบไปแล้วยานสิบหกจบแล้วที่นี่วิธีกิจที่จะละเอียดที่สุดตรงวิถีกิจเป็นบุญเป็นบาปอยู่ชาวนากิจดวงที่หนึ่งสองสามถึงเกต ถาจะมณนะดวงนี้ให้ผลชาตินี้ทั้งบุญและบาปดวงนี้กล้าให้ผลชาตินี้เลยยกตัวอย่างคนผู้ชายคนหนึ่งขึ้นนายกระตูอยู่จังหวัดนครพนมไปป่าเห็นนกเขาบินออกจากโครงไม้แกขึ้นไปดูมีลูกสี่ตัวเอาเข็มไปแทงตาให้มันตาบอดเออเอาไปกินให้หลอกให้แม่มันเลี้ยงโตขึ้นมาเอาไปกินทีละตัวทีละตัวทีละตัวเสร็จแล้วพอไปมีเมียมีลูกสี่คนตาบอดหมดเห็นไหม กรรมชาตินี้ปัจจุบันนี้มีอีกคนหนึ่งในขึ้นไปดูรังนกมีลูกนกอยู่นั่นบิดคอมันทิ้ลงลมา่เอาไปกินนอนกลางคืนคอตกหมอนคอหักตายได้เห็นไหมอผู้ชายคนหนึ่งพ่อสูบ ก, กัญชาอันนี้เมากัญชาบีบคลลูกอายุเกตเดือนตายคนนี้สุดก็ฆ่าตัวตายอีกคนหนึ่งเมาเหล้าลูกสองคนเอาเชือกผูกคอตายคนที่สุดก็ฆ่าตัวตาย อีกผู้หญิงคนหนึ่งมีลูกชายอ า, อายุ3มเดือนเกิดโพสะขึ้นมาเอาปืนยิงกมองกระจายเลยผลที่สุดก็ปืนกระบอกนั้นฆ่าตัวตาย เ, าเนี่ยเวลาให้ผลให้ชาตินี้ชาวนะดวงที่หนึ่งให้ผลชาติ น, ตนี้แต่ต้องกีตนามันกล้าตัดสินเด็ดขาดผู้หญิงคนหนึ่งแฟนเจ้าชู้เออนึกจะตัดของดีให้เป็ดกินบ้างผลที่สุดก็ทําอะไรวันนั้นพอจะตัดของดีผัวโพลตื่นขึ้นจะฆ่าแทงทันทีเลยผัวก็ตาย จะไปติดคุกเอาหัวจุ่มน้ำตายไม่ต้องมีใครฆ่าก็ฆ่าตัวเองตายได้นี่คำเวรนี้ไม่ใช่คนเดืนนรกนี่เห็นไหมน้องพ่อเจาะหัวทำไมเจาะหัวล่ะน้องพ่อเป็นเด็กยิงกบแม่นกอขึ้นยิงกบพั๊ปเดี๋ยวได้เป็นพวงเลยละ่ะไปบ้านพ่อแม่เอ้ยเด็กนี่หากินรวยแหละยุให้เราทำบาปสิ <laughs> โอที่ไหนได้พอมาบวชอยไม่เอาแล้วลอยชตดเนี่ยเออ ข้ากบข่าเป็ดฆ้าไกลล่เราเอาทั้งนั้นพ่อว่าพ่อแม่นึกว่าเด็กมายกินรวยเราก็ทําไม่รู้ว่ามันเป็นบาปพอมาบวชจะเมยมันต้องเจาะหัวเห็นไหมนี่ความเห็นมันมีอย่านึกว่าไม่มีอีกคนหนึ่งนงเว็นครูเรียนได้นกรูเวามาเอานํามากัดราดขนปีกมันแล้วให้มันวินเอามาขีดไฟขีดแต่มันก็เพึ่ขึ้นมันยิ่งลุกใหญ่ตกมาตายนั่งทะเลาะะชอบใจนิโสมนัสทําบาปโดยโสมนัส ไม่เท่าไรเลยถูกตะเกียงจะพายุมันระเบิดปึ้งน้ำมันไฟลวกตายทรมานเหมือนกันกํนกนัยนี่นี่ฆราวาสทีนี้พระพระมันก็เป็นบาปเหมือนกันนะใครทํมันก็บาปองค์หนึ่งอยู่บ้านจบงสวัดสั в а ีเดือนสิบเพนยมเอาปลาย่างมาถวายบันนอกเขาจับสลาบกันทันไม่หมดเอาเก็บไปไม่ดีแมวเจ้ากร๊มมันมากินหาว่าแมวขโมยที่จริงมันไม่ขโมยหรอก มันไม่รู้เราเป็นคนเจ็บไปไม่ดีน่าจะตีมือตัวเองไปโทษให้แมวเอาเชือกผูกคอมันอันมันกัดราดขีดไม่ขีดไฟใส่นั่งหัวเลามันดิ้นตายเลยโอ้ยตายทรมานตัวเองชอบใจซะอีกด้วยผลที่สุดเดือนเดียวยมทำดินประสิวระหว่างไอันนี้ตำดินประสิวทำพูดทำไรมันก็ทบกันพบเกิดไฟไหม้หมดทั้งตัวเหลือแต่ตัวลันจันแหล่เฮ้ย ระดมแพทย์ห้านายฉีดยาตแตกเยิ้มพิตารณไวหนาดตายธนาวาลยิ่งของแมวสี่งนี้กําเณอีกคนหนึ่งอยู่ต่างจังหวัดเลี้ยงแมวหมา30สบแมวย5ห้าตัวเสร็จแล้วเจ้าของไม่อยู่มันหอดมันก็ตะกุยตะกุยนี่มาโกดให้แมวจับแมวใส่ฉลอมจะไปปล่อยกลางทุ่งนาเอาหมาไปด้วยพอปล่อยมันมีที่ขึ้นมานก็ขึ้นตัวเองขวานาซะางเหลืองเลยกับ ตายแล้วว่านี่กรรมเวรมันให้นี้อีกคนหนึ่งไปจับปูมาเอาปูโตโตเชือกมัดต้มน้อนขึ้นน้อนพอเสร็จแล้วเอาลงจุ่มน้ํามันลิ้นไม่ได้โยมมันก็ตายทรมานผลที่สุดตัวเองเวลาจัดป่วยขาออกไม่ได้เลยมือออกไม่ได้เลยไม่มีใครผูกมันออกไม่ได้ทรมานจนตายเหมือนกับปูเห็นไหมกรรมเวรมันให้ผลนี้แต่วัดโรงที่หนึ่งให้ผลชาตินี้ ที่เกตให้ผลให้ชาติไอยสองตายแล้วต่อต่อไปตามตลอดจนกว่าจะถึงนิพพานขนาดพระพุทธเจ้ามันยังให้ผลเห็นไหมกวนน้ำํำไ้โคมันเหลืออ่อนกินน้ํามันก็จังให้ผล พ, ออพระพุทธเจ้าเออพระพุทธเจ้าเป็นโรคปะการิกาพาดเพราะชาติก่อนเอายาให้ผู้หญิงกินนี่ยงั้นพระพุทธเจ้าอายุแปดสิบกว่าเพาะพนันตีกับเท่าเกตไทยน่นนี่คำเวีนนะอา้าวที่นี่วิธีกิดที่จะมรรคผลนิพพานอยู่ตรงนี้ ชมนะจิตดวงที่หนึ่งเป็นบริกรรมนี่คนนี้เป็นมนทะบุคคลปัญญาอ่อนแต่สําเร็จดวงที่หนึ่งเป็นบริกรรมที่สองอุปจารที่สามโคตรภูนี่สามหายไปสโคตรภูนี่อนุโลมห้ามักนี่แทนที่14บหผลผ ล, ผลสองขนาดนั่นเนี่ยหมายความอย่างนี้เวลานั่งกําหนดพองเนอยุดเนอเขาเรียกบริกรรมพองเนอยุดเนอพองหนอพับไปเลยนี่เรียกว่าบริกรรมพับ เอ๊ะเราไปไร ห, หมดแล้วถึงปัจเจเวคขนยานยาณสิบหกแล้วไวตรงนี้ไม่รู้ขาดความรู้สึกตรงนี้ตรงนี้รู้ตรงนี้ไม่รู้ตรงนี้ไม่รู้ตรงนี้ไม่รู้ร ม, รมารู้ตรงนี้นี่ปัจเจเวคขนยานเอ๊ะเราไปไรไปมันรู้นิพพานไม่จะรู้ธรรมดาแล้วคนจำนวนมากจะเอาธรรมดาเป็นโลกะละนะจบลงไปแล้วนี่วิถีกิตของบุคคลผู้มีปัญญาอ่อนน้อยทีนี้บุคคลผู้มีปัญญากล้าเจตชั่วนจิตเหมือนกันทิ้งอุบะบริกรรมเห็นไหมไม่มีแล้วทิ้งแล้ว เอาอุปจารเขาา้าไปเกียดเข้าไปแล้วอนุโลมก็อนุโลมยานนี่ยานที่สิบสอนี้ดอนุโลมโพตรตะพูมักผลผลผลสามคณะขอไปเลยว่าผลผลสามคณะอันนี้ผลสองคณะผลนี่ปัญญาอ่อนมีบริกรรเพิ่มขึ้นไปอันนี้บริกรรมตัดออกมันไวเช่นกําหนดพองเนยุบหนยังไม่รอพองพบมันดับไปเลยรู้ตัวเอ๊ะเราไปเไหรหมดไปแล้วปัจจุบันขันยานไวนะอย่านึกว่าช้าฟังให้ดีเนี่ยเ Yeah. ชีพเกตคณาจิจเอามานหนึ่งขณะเป็นนิพพานลองนึกดูสิมันจะนานแค่ไหนอืมไม่ใช่บ้านไม่ใช่เมืองไม่โลกนี้โลกหน้าไม่ใช่ประจันทร์ไม่ใช่เวทตแต่หมายอังกิเลตมันดับราคัคคโยทุขคโยโมคโยตินิพพนังอิติวุตจติโลภะโทสะมันดับตรงไหนตรงนั้นเป็นนิพพานเอาจบลงไปแล้วทีนี้เทียบวิสุทธิเกตนี่ ในนักธรรมท่านหมายความว่าผู้ดถึงนิพพานเหมือนรถเกตผักขึ้นคันนี้ลงคันนี้จนเกตคันก็นถึงนิพพานอันนี้เหมือนกันอือหนึ่งศีลวิสุทธิ์นี่ศีลบริสุทธิ์คนสมมุติคนฆ่าคนตายไม่ได้ห้ามมรคนิพพานห้ามฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระหัน์ทำร้ายพระเจ้าให้โรหิตห่อยังสงให้แตกกันอันนี้ห้ามมรห้ามผลแต่คนฆ่าคนตายไม่ได้ห้าม ค่าปราค่านกค่านุ้เนี่ยไม่ได้ห้ามเท่านั้นสามารถถึงที่ผ่านได้เวลามาเดินโยกมมขวาอย่างหนอซ้ายอย่างหนอนี่กิเลส ข, ขาดไปทีละเจศชาติสปิดชาติศีลก็เกิดและเป็นศีลในมรรคแปดไม่ใช่ศีล น, นอกมรรคศีล น, นอกมรรคต้องสมถทานสมถทานแล้วมันก็มาอยู่แต่ศีลอันนี้ถ้าถึงแล้วเด็ดขาดเลยไม่มีวันจะกลับแล้วเอสมมุติโยมปฏิบัติถึงยา น, นสิบหกในศีลตลอดชีวิตเลยตายแล้วเกิดอีกก็ยังอยู่ มันต้องสมทานก็มีแล้วออันนี้ศีลในมรดแปดศีลอันนี้จึงเป็นต้นศีลทีนี้เรามาให้ปลายศีลกันให้ปลายศีลไม่แน่หรอกเออมหาปุ้ยไปเทศนคร น, นายกเขากินเหล้าไปเทศดา่าเขาลงธรรมาภิริเขาตีหัวง่อยเพราะฉะ น, นั้นบางทีถ้าไปเทศดีๆเราบางทีเขาแต่งกรด่าเอ า, าไปว่าเขาไม่ได้กินเหล้าเขาขาเป็ดจะได้สําเร็จโสดาบันกินเหล้าเขาขาไก่จะได้ไปสวรรค์ กินเหล้ากับขาหมูจะได้ไปสู่นิพพานกินเหล้าเปล่าๆถูกไม่เท่ายมพบาลนแน่ห ว, ว่านงั้นนะไม่ได้อะไรไม่พอเดี๋ยวไ ป, ป, ล เ, วไปเล่นเขาไม่ได้รอกโงนี่ไม่ได้อันต้นศีลถ้าถึงตรงนี้มาต้องพูดเขาละของเขาเด็ดขาดไปเลยทีนี้ต่อไปมีสุดที่เ็ดข้อที่หนึ่งพอเริ่มโดนตรงกลมเริ่มนั่งมาฐานศีลเราโยมีแล้วสองกิตตวิสุทธิใจไม่เผอเนี่ยพองเนอะ ยุบหนอได้องสามตั้งใจงคอยจ้องคอยจับนี่เค้าเรียกกิตตวิสุทธิวิปัสนาใช้แค่นี้ที่จะเห็นรูปเห็นนามเกิดดับนะวีสุทธิมัตในมหาดีกาปฐมภ า, าคหน้าสิบห้าอันกราวนาะหีคณิกะสมาธิวิปัสนาสัมภวติกิงอยู่วิปัสนาเทาเว้นคณิกะสมาธิไม่สําเร็จค อ, อยเขาใช้คณิกะสมาธิห้องหนอในคณิกะสมาธิยุบหนอคองเขาขวาย่างหนอในคณิกะสมาธิออาาาธเ อ, อ ทีนี้ต่อไปทิฏฐิวิสุทธิมีความเห็นอมตะสุดคือยานที่หนึ่งอันเดียวกันพองกับยุบเป็นคนละอันใจที่กําหนดพองกับยุบเป็นคนละใจนี่แหละคือนามรูปา ป, ปริเชนชานก็ได้แก่วิสุทธิข้อที่สอันเดียวกันทีนี้วิสุทธิข้อที่สี่กังขาวิวตระณะวิสุทธิข้ามผลควา ม, วามสงสยัยในแกยาณที่สองปัจญยะปริขยาน วิสุทธิข้อที่หมัคคามัคคะยานัตถสุท ธ, ธ, ธ, ธิมีคนู้เห็นอันุสุทธิอันนี้มันทางถูกอันนี้ทางผิเเเ ด, เดเห็นไปเห็นเทวดาขโนทินหนออย่าไปดูนั่นเรียกว่าไม่หลงทางถ้าใครไปดูหลงทางนี่เป็นวิสุทธิข้อที่หแล้วก็ได้แก่ยานที่สในวิปัสนาวิสุทธิข้อที่หปฏิปทายานัสนาสุท ธ, ธ, ธ, ธิมีข้อปฏิบัติ ด, ดําเนินไประราดลาดับ ได้แก่ยานที่4ี่ถึงยานที่12เป็นวิสุทธิข้อที่6พูดย่อแต่วพิสดานก็คืออันนี้อันเดียวกันนะวิสุทธิข้อที่7ญาณทานัทธสมิสุทธิมีความรู้เห็นอันบริสุทธิ์ได้แกม่มรรคยานนี่นี่โสดาปฏิมรคสิกิมกรมรคอนาคามรคอรัรรมรคคื อ, อ, อ ว, วิสุทธิข้อที่เจบลงไปแล้วเทียบไปเห็นทีนี้ต่อไปพูดจะวิสุทธนะิโรกสวรรค์ต้องถึงตรงนี้นะ ในมหาสาม โ, โยกภาคสามเทศไปเลยเนี่ยใครจะเป็นคนพิสูจน์ได้ผู้จเจริญวิปัสนาถึงตรงนี้จึงจะพิสูจน์ได้ว่าสวรรค์มีไหมนรกมีไหมมรรคผลนิพพานไม่เลยเดีย๋ยนี้ยานที่หนึ่งก็ไม่เกิดจะมาพิสูจน์กันแล้ ว, วสวรรค์นรกไม่มีมันจึงห่างกันมากไอกันฟ้ากับแผ่นดินเลยถ้าถึงตรงนี้ไม่ต้องไม่ต้องพิสูจน์อะไรกันแล้วหายสงสัยหมดแล้วอ้าวต่อไป เราจะพิสูจน์ว่าตัวเองได้มรรคผลนิพพานหรือไม่นี่นี่แหละในพระไตรปิฎกเล่มที่สิบมหาปริพานสูตรเจอว่าธรรมมาทสะกระจกคือพระธรรมแว่นคือพระธรรมพระพุทธเจ้าเทศไปเลยวันหนึง่งพุทธทพุทธเพอาเวทจับภาษาเทนะสมนาขเต้าประกอบแล้วโดยความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าไม่มีหวั่นไหวถ้าถึงจริงแล้วจะไม่หวั่นไหวเลยนะพระพุทธเจ้าใครจะมาติใครจะมา ให้ดูถูกพระพุทธธรรมประสงค์ไม่เอาทั้งนั้นทันยกตัวอย่างมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อสุปปพุทธกุตภิชาติก่อนเป็นเศรษฐีดูถูกพระปฏเกหขากทุยว่าพวกนี้เป็นพวกขอทานอาตายไปก็ค่อยเกิดเป็นคนพุกพลากลำบากเป็นขี้โทษขุดถังแล้วบุญก็ทำกรรมก็สร้างวันหนึ่งพระเจ้าเทสก็แอบฟังเพราะแอบฟังเอาสาเร็จโสดา อยากจะไปเข้ากราบพระพุทธเจ้าให้ทราบว่าตัวเองเนี่ยถึงโรคภัยเบียดเบียนสังคมลังเกียจแต่ก็สําเร็จเทวดาทราบลงมาหามาทดลองว่าเธอเธอจนจนอย่างนี้ให้เธอพูดว่าฉันไม่ต้องการพระพุทธพอธรมรมสง์ต้องการเงินเท่าไหร่ฉันจะให้ถามว่าท่านเป็นใครเป็นเทวดาเทวดาเร็วๆ น, นี่ไกลๆฉันไม่จนเทวดาก็รีบไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้า คนที่มีใจถึงธรรมะแม้ถึงจะจนแสนจนเราเอาเงินเอาทองให้ใหดูถูกพระใจไม่เอาเลยพระพุทธเจ้าค่ะถูกแล้วมหาบ่อพิษอย่างมหาบ่อพิษเนี่ยต่อให้อีกร้อยองค์พนึงไม่สามารถจะให้ลูกของอาตมาภาพวันไหวได้หรอกพระุทธเจ้าเรียกมะม ะ, มะปุตโตโลูกของอาตมาภาพทั้งนั้นผู้เจริญวิปัสสนาฮะนี่ตองทำมีอเวจับภาษาเทนรระสมราขโตเรื่อมใสในพระัรมไม่มีวันไหว สมมติอย่างพวกท่านปฏิบัติดีแล้วถ้าถึงจริงแล้วใครจะบอกว่าวิธีปฏิบัติที่ไม่ทุกไม่เชื่อเป็นเด็ดขาดเพราะทดลองมาแล้วตัวอย่างวิสาขาอุบาสกไม่ใช่วิสาขาผู้วสิกาเป็นผู้ชายชวิสาขะไปฟังเทศจบแล้วสําเร็จเป็นโสดาบันกลับไปถึงบ้านมานอยู่สวรรค์ชั้นที่ห้านิมรดีเคาะประตูโยมโยอออกมานี่เพราะออกไปก็เป็นพระพุทธเจ้าเหมือนทุกขกเบียดนิ้วเลย ก็บอกว่าเมื่อกี้นี่หลวงพ่อเทศผิดนะขันท่าเป็นอนิจจังทุกขังหนัตตาผิดแจ้ใหม่ขันท่าเป็นนิจจังเที่ยงสุขขังเป็นสุขอัตตาเป็นตัวเป็นตนตูพระเป็นของสวยงามบอกท่านเป็นใครเป็นมาร เ, เหลือเอ้ยอย่าทักกันอย่างนั้นสิเลยเปิดนี้เลยนี่เห็นไหมแปลงเป็นพระพุทธเจ้ามือนก็ยังไม่เชื่อถ้าผิดจ้ะอ้าวนี่ข้อที่สาม สังเทวตจัปภาษาธนสมนกระทูเลื่อมใสในประสงค์ไม่หวั่นไหวคำว่าสงนี่สังฆสังตัวนี้มาจากสังกิเลสกิเลสสิบโลภโทสะโมหะเป็นต้นพระตัวนี้มาจากหาณาธาตุไปว่ า, า, า, าข้าสังกิเลสีหาณาติติสังโคภูเด่าสังกิเลสผู้นั้นเกิดสง์มี3สามสมมติสง์พระสีองค์ขึ้นไปรวมกันเข้าเป็นสมมุติสงแล้วญาตโยมทุกคนทั้งเด็กๆผู้ใหญ่ ที่กำลังจเจริญวิปัสนาเรียกว่าปรมัทส่งเจริญวิปัสนาแล้วได้สำเร็จยาน16เรียกว่าอาริยสง่ออยงเพราะฉะนั้นเลื่อมใสในประสงค์หมายทั้งสามอย่พวกนะ้โยกตัวอย่างผู้หญิงคนนึงเป็นภรรยาของพรามพารัตวาชโคตหัวถือพรามเมียถือพุทธเป็นพระโสดาบันหัวบอกว่าน้องเอ๋ยวันนี้พี่จะเลี้ยงพรามนะอย่าพูดถึงพระพุทธธรรมะส่์นะ เออน้องถือต้องพูดที่พูดไม่ได้ตัดคอนะ้อคงคููกันเฉยๆดอกเอา้าตัดก็ตัดงานนั้นผัวกเมียก็ช่วยกันเลี้ยงพรามเมียถือสำหรับไปโดนสะดุดเข้านะโมอ่าระลึกถึงคุณเจ้าคุณพระช่วยบานเรามาอย่างนั้นเท่านี้แหละพรามที่นั่งทานอาหารอยู่คำข้าวอยู่ในปากก็มีคายออกลุกหนีด่าหาวาหลอกมาต้มพรมผู้เป็นสามีก็โกรธจัดวิ่งไปวัดคงอยู่ไม่ไกลวัด ไปหาพระเจ้ายืนเลยพระสำเร็จโคโดมฆ่าอะไรตายจึงนอนสบายโอทางคตวาสุขังเสติฆ่าคมกรดตายนอนสบายเลยฆ่าอะไรตายจึงไม่เศร้าโศกโอทางคตวานั้สู้จิติฆ่าคมกรดตายไม่เศร้าโศกเลยเออพูดทีนั้นก็ถูกหมดริยอมจนอนํานวนขอบวชเลยจเจริญวิปัสสนาจนได้เป็นพระรหันนี่เลื่อมใสในพระสงฆ์ไม่มีวันไว้ ข้อที่สีอริยกรรติหิเีเรหิประกอบด้วยศีลมั่นเป็นนิดอย่างโยมนี่ถือศีนห้าศีลมั่นเป็นนิดไม่กล้าไม่ร่วงละเมิดในศีลแล้วแต่ก็ต้องเข้าใจให้ถูกนั่นแะเวลาไปฟังเทศบรรพทธรามวั น, น, นที่ไหนก็ตามกลางคืนยุงมันมีมันกัดเอามือรูปไปเอาตายใช่แล้วศีนขาดเราไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องพร้อมด้วยองค์หนึ่งสมมุติโยมกัดนี่มันกัดมือเรานี่หนึ่งปาโนยุงตัวนี้มันมีชีวิต สองปานสยนิตาเราก็รู้มันมีชีวิตมันจึงกัดเราได้สามวัฏจกิจิังคิดจตีมันตายมากัดเราทำไมเ่สี่อุปรกรรมวขย า, ยามทําเบาๆไว้เขามันจะวินหนี 5. ้าพับเสร็จเลยอันนี้อย่างนี้ขาดแน่ขาดแน่เออไม่ใช่ไม่ใช่รูปไปถูกมันตายมันขาดไม่ใช่อย่างนั้น เดินไปเหยียบมันตายขี่รถไปทับหมาตายเราไม่รู้มันนี้ศีลไม่ขาดนะแต่มันด่างพร้อยไปน้อยเนืงองเอาละจบไปแล้วนี่หลวงพ่อเทศจบไปแล้วนะเวลาก็ เ, าเลยไปห้านาทีแหละเไป่ออดเพลเอาตอนนี้พอแล้วนะ <c oughs> อ้ า, อาวญาติโยมผู้ใจบุญทลายอาตามาภาพพอมาค่อยสบายดีนะักก็ขอขอบใจขอโมทนาวันนี้เป็นวันสุดท้ายเฉพาะยังยิ่งการให้ทาเป็นทาน คุณแม่สิริให้ทําเป็นทานการให้ทําเป็นทานต้องให้อย่างนี้นะคือครั้งหนึ่งเทวดาในสวรรค์ชั้นดอดึงประชุมกันประชุมกันแล้วตั้งปัญหาขึ้นว่าอย่างนี้บรรดาทานทางหลายทานอะไรเป็นยอดบรรดารถทางหลายรถอะไรเป็นเยี่ยมบรรดาความยินดีทางหลายความยีอะไรเป็นเลิศความสิ้นตัญหาทำหํำไมนักปราชญ์จึงกล่าวว่าประเสริฐที่สดุด เมื่อตั้งปัญหาขึ้นแล้วตอบไม่ได้ไม่มีใครตอบได้เลยเมื่อตอบไม่ได้ก็ไปถามกันตอบไปในมื่นจักรวาลถามตั้งแต่ภุมมะเทวดาอยู่ตามพื้นดินตอบไม่ได้ลุกคเทวดาอยู่ตามต้นไม้ตอบไม่ได้อากาศเทวดาอยู่ตามกาศตอบไม่ได้ไปหาเท้าเจตุโลกบาลทั้งสี่ตอบไม่ได้พาไปเฝ้าเท้าสักกะนายของฉันมีบุญมากมีปัญญามากคงจะทราบแน่นอนพันไปถามเท้าสกกาบอกว่าโอ้ ปัญหานี้ไม่ใช่วิสัยของฉันแนวของพระพุทธเจ้าอยู่ไหนเล่าระทับที่ไหนพัชชตวันเหาะลงมาเยอะเทวดาสว่างไส้มดพัชชตวันเที่ยงคืนพระพุทธเจ้าก็ะตัดประมหาบอกพิทพกันมาอะไรมากมายนักมีเหตุอะไรเกิดขึ้นเหลอก็กราบทูลว่าพระพุทธเจ้าคำมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างนี้แก้ไม่ได้สิบสองปีแล้วปีนี้เป็นปีที่สิบสองเพราะฉะนั้นขอให้สมเด็จพ่อเทิดให้ฟังแก้ปัญหาให้ พระเจ้าตรัสสาทุกมหาราชะดีแล้วมหาบพิษอาตมภาพได้บำเพ็ญบารมีสามสิบทัตมาซบริจาคมหาบริจาคทาง5้าบริจาคทรัพย์สมบัติบริจาคลูกบริจาคภรรยาบริจาคอวัยวะบริจาคชีวิตเป็นทานก็เพื่อตรัดข้อสงสัยอย่างมหาบพิษนี้โปรดตั้งใจฟังพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าบรรณาทานทางหลายธรรมทานเป็นยอดบรรณารสทางหลายรสพรรมเป็นเยี่ยม บรรดาคอามยินดีทลายความยินดีประธรรมเป็นเลิศความสิ้นกิเลสตัญหาชนะทุกทั้งปวงเพราะถึงนิพพานแล้วจึงเทศเป็นบาทถาคาถาว่าสะ พ, พัฒานังธรรมะทานังกินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทุกอย่างสัพพรสังธรรมะโสกินาติรสปธรรมชนะรสทุกอย่างสัพพติงธรรมะติกิณาติคอามยินดนธรรมชนะคอามยนีทุกอย่างตันหกพโยสัพพุ ข, ขั้งกินาติความสิ้นกิเลสตัญหาชนะทุกทั้งปวง เทวดาลุกขึ้นกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าข้าเมื่ออานิสงส์ให้ทำไม่นานนักอย่างนี้ทําไมสมเด็จพ่อไม่ให้พระสาวกให้ส่วนบุญแก่ข้าพระองค์อีโต้ปัญหายตั้งแต่นี้ต่อไปขอพระองค์ได้มีพระบัญชาให้สาวกให้สมบุญแกะะ่ข้าพระองค์ด้วยตั้งแต่นั้นพระพุทธเจ้าก็กประชุ่สง่์ล่ะทเนี่ยตราสว่าพิกสดทั้งหลาย มหาธรรมสวรรณังวาเมื่อพบเจอจัดการประชุมธรรมะเป็นการใหญ่อย่างนี้เขาเรียกมหาธรรมสวรนระประชุมฟังเทศเป็นการใหญ่เนี่ยข้อที่สองปกติธรรมสวรนณังวาจัดให้มีการฟังเทศตามปกติเช่นวันพระวันอาทิตย์วันโกนหรืองานอะไรต่างๆข้อที่สามอุปสินนกถังะเทศตรวากล่าวอุปสินนกาถายเกยคนเข้ามานั่งใกล้ กณฑมหาลงพ่อสองคนสามคนแล้วก็สนานาธรรมการ น, นี่เรียกว่าอุปสรสินเกถาข้อที่สู้อนุโมทนาปีจนท่านที่สุดอนุโมทนาเช่นเวลาฉันแล้วพระอนุโมทนายมการทำบุญดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ทานกุศลให้โยมรวยศีลกุศลให้โยมสวยภานากุศลให้โยมดีสติปัญญาอันนี้เรียกว่าอนุโมทนาเพียงเท่านี้ก็ได้บุญมาก เพราะฉะนั้นพวกเธอทั้งหลายตั้งแต่นี้ต่อไปจงให้ส่วนบนุญแก่สรรพสัตว์ ท, ทั้งหลายเราจึงนิยมให้ส่วนบนุญโดยเป็นมาอย่างนี้คนแม่สิริก็ได้ธรรมะเป็นทานมาตลอดเดือนหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งกี่หนได้บุญเยอะถ้าเป็นพ่อค้าไม่ค่าก็รวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแล้วอาะนั้นก็ถือว่าเป็นบุญกุศลให้ทําเป็นทานต้องให้อย่างนี้ไม่ใช่เพียงเทศบนธรรมาทิเฉยเทศบนธรรมาทิเฉยได้แค่ปริยัติ สอนอย่างนี้ได้ทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติทั้งปฏิเวทจึงเชื่อว่าให้ธรรมเิ็นทานถูกต้องตามํานองความสั่งสอนของเจ้าทุกประการน้องพ่ออนุโมทนาสาธุการด้วยอำนาจบุญกุศลคุณภาษีรัตนตรัยอธิัยบุญเขตเป็นประการที่หนึ่งด้วยอานาจแห่งพระไตรปิฎกแปดหมืนสี่พันพัรมขันเป็นประการที่สองด้วยอานาจแงห่งมงคลร้อยแปดเป็นปการที่สาม ด้วยอำนาจแห่งอัถทังกิกรรมัทักแเป็นประการที่4ด้วยอำนาจแห่งพระนวโรกรตธรรม9เป็นประการที่หด้วยอำนาจแห่งอภิญญาเป็นประการที่6ด้วยอำนาจแห่งทะโสด ช, ชนรยาน1ิบประการเป็นประการที่เ็ดด้วยอำนาจแห่งพระปริศถังปวงเป็นประการที่8ด้วยอำนาจแห่งเมตตากรณาวยขาเป็นประการที่9ขอโสดชยาสีทั้งข่าวประการนี้ จะมารวมกันเป็นภาวะปัจจัยปกครองรักษาท่านผู้ใจบุญหลายทั้งครัวจานทั้งผู้าาผเฉลือทุกทุนหน้าเฉพาะยิ่งยิ่งจเจ้าอาวาสรันพระครูวัดอัมพวันนี้ท่านเป็นผู้ที่ส่งเสริมสงเคราะห์ทุกสิ่งทุกอย่างให้เราท่านทลายได้อยู่เย็นเป็นสุขรับควาสะดวกสบายในดวงตาเห็นธรรมะ ข, ขอท่านจงเป็นผู้มีส่วนบุญด้วยในที่สุดนี้ขอทุกท่านจงพักันอยู่เย็นเป็นสุขหายทุก ห, ห, กหายโศกหายโรคหายภัย จเจริญด้วยลาพยศอายุวันะสุขภาพะละปฏิพัณธ์ธรรมสารสมบัติตลอดการเป็นนิสแม้มนวด่าท่านจะปรารถนาสพะอัติฉวิบุญมนุนพนสิ่งใดขอสภะอัติฉวิบุญมนุนพนสิ่งนั้นจงพันสําเร็จตามมโนพินธานของท่านทลายจงทุกประการด้วยการพุกท่านเทิ น, น, นไ ชาวลีวะหาผู้ราปริปุเรนติส้าครังเวมวม่อเมวะอวัตโตตินงัปนงปีตานังอุปกัรปฏิอิธิตังปจิตังตุยังคิดประเมว่สมิธโตสเพรปุเรนตุสังกปาจันโตปนราโสยธ า, ามะนิโชติราโยาาสยธาสภิติโยวิวัตชันโต ขัพโรโพินัตสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่ข้ายุโกูะวะอภิวาทนสีลิสนิจังหุท้าปัยิโนจตารโับมาวัฒนติอายุวันโนสุขงงังภาลังเอาุทิศบนบนประนมมือไว้ยิทางเมปุญญงัง น, นิพานัสะ ปัจโจยโหโตขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจใจให้ข้าพเจ้าได้ถึงพนิพานยีทังเมปุญญาภาคังสัพพสัตตานังเยมะข้าพเจ้าขออุทิตส่วนบนที่ได้บําเพเ็ญมานี้ ให้แกบิดามดาห้แกบิดามันดาโรบาอาจารย์บาจารย์ท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีบท่านผู้มีบุญคุณทุกทุกท่านกทุกท่านเจ้ากำนายเวรเจ้ากนายเวรผูที่ปีศาจทั้งหลายูทีปีศาจทั้งหลายเทพประบุทพปริษฐทุกองเทพระบุทปรดิ์ทุกองขอจงได้อนุโมทนาขอจงได้อนุโมทนาในส่วนบน ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมานี้สัตว์ทั้งหลายที่ถึงโทษขอจงพ้นจากโทษสัตว์ทั้งหลายที่ถึงสุขขอจงได้รับความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกท่านเทิญทุกข์เขาขึ้นกราบพระอาลังสมาสมุทโธภาคราง ตังภะวันตังอภิวาติมีขุังภวนังอภิวาิกรับสวาคาโตภกวัตาถมมวาาโตภวตาังนมัามังนามัจามีสุปฏิปโนภกวัตโตสาวกสังโฆ สังขังนา ม, ามีามามอ้าพอแล้ววันนี้นะ